พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่3เมษายน2555มีชื่อเรื่องว่าจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สู่สายปฏิบัติพระกรรมฐาน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 ทันกยัตติเป็นธรรมยุทธเนะี่ยราชกาลที่สคล้ายๆกับว่าฟื้นฟื้นคาสอนของพระพุทธศาสนาขึ้นมานะให้พระอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเพราะสมัยนั้นเละเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีไม่รู้จะปกครองอยังไงเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นอ ป, ประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนกน็ท่านเขาเป็นมหายาน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 ทำคุณให้ให้แก่แผ่นดินเพราะท่านมีอํานาจด้วยทั้งมีวาสนาด้วยทั้งมีน้ําใจด้วยใช่ท่านมีวาสนาท่านมีน้ําใจถ้าก็ทําได้อับบางคนนะ<ม>พอเป็นใหญ่ขึ้นมากกินแผ่นดินก็ไม่ไม่รู้มากต่อมากเหมือนกันทําให้แผ่นดินล่มจมจิบหายเดือดร้อนไปทุกหัวและแหง่งเพราะอะไเพราะพระเจ้าแผ่นดินขาดคุณธรรมในจิตใจ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 ถ้าท่านฉันอยู่ท่านก็ต้องบินทบาทผลที่สุด ก, ก็เอามาบ้าน อ, าออกมาบั้นผู้ออกมาบั้นผู้ก็มาถึงสกนลคนครถ้าก็ละขันละสังขารเป็นอนว่าหลวงปู่มั่นไม่บินทบาทไม่กี่วันตามที่หลวงปู่ล่าท่านพูดให้หลวงพ่อฟังนะที่ได้มาพูดถึงองค์หลวงตาหลวงตาท่านก็บินทบาททุกวันถึงท่านจะบินทบาทไม่ได้ท่านก็ฉันด้บาท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 ร้อยสองร้อยร้อยกว่าบางทีเกือบสองร้อยเทบาทออกท่านนับถึงขนาดนั้นนะเป็นร้อยสองร้อยแต่ที่เวลาคนมาใส่บาตบางคนก็อยากจะได้บุญมากใส่น้ำเป็นแผกใส่นมเป็นแผกใส่น้ำเป็นแผล ใ, ใหญ่ๆเอใส่ในบาทของท่านพอใส่ของท่านท่านอายุมากถึงขนาดนั้นก็เอียงเลยถลําอ่ ะ, อะ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 ท่านพาดําเนินอย่างไรเราก็น่าจะเราอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อย่างอายุหกสิบปีหลวงพ่อเข้าไปหลวงตาประมาณนี้ยนะประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจดสิบเนี่ยนหะลวงพ่อเข้าไปอยู่กับองค์หลวงตา25งพ้าิบสองให้พวกเราคํานวณดูก็แล้วกันว่าอายุหลวงตาเท่าไหร่ถึงกุตีคิดคิดดูก็แล้วกันว่าเมื่อหลวงพ่อเข้าไปในะปี25งพนหะ้าสิบสองหลวงตาอายุเท่าไหร่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 เอ๊ะมันยังไงมันเห็นพระทําไมซดซ้ายซดขวานมันขวางตาเรานะ่ะเนมันไม่ใช่แนวแถวของหลวงปู่มันปฏิปทาพระกรรมฐานนะเน่ยอันนี้ก็คือท่านพกูกให้พวกเราบางที เ, เทศบางกันเนี่ยเราจะได้ยินยเทศเก่าๆ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของหลวงตาเราอย่าไปยึดบุคคล